ไปเบร์อเอาเงินชุ่มนึ่งมามาให้กินให้ทา น, ทนเน่ากันเงินชุ่มน่เเงินชุ่มคุณดูนี่ฝากไว้ซื้อามืน่นเอามาให้ร่วงให้กันผมพูดได้คำว่าเท่าตายก่อนเนียหันยังจหลูกจะต่าเท่าตายก่อนยังจะหลูกจะเต่าเงินซื้อผามืนชุ่มหนี่งให้ไปเบรกเอาเนอสารทหาร มา่เห็ดหีบเห็ดโร่งมาถ้าพอท้ามเมม่าวัดตะกอนต้องรัพผิดกันปรึกษากันส่วนเข้านี่บ่ให้เพ็ดสั้นส่วนเข้านี่ตายมือเศ้าหายไปเผาหัวแรงเตียงมือตะล่างหันบ่แม่นมือแร้งไหมตายสมมติว่าตายเดียวนี่สันยัหันเดียกเผาถ้าตายสันยัหันเดียกเที่ยงก็ต้องเผา พระทุกคนใกล้มุ่นนี่ง่ไปมุ่นเพลินทำมันลาบากอะไรหรอกสารภาพเฮาได้ี่สารับตัวเฮาเพราะเพลินลาบากล้วก็กลมนาลงมาล้วก็โอ้ยกูกจิตตายคือหลวงปู่กูเราเวสันก็ะเจ้าขโมยได้เวสันไหนพระกานไปไปวินทบาลมากินนี่ของในวัดในว่านี่ยอันนี้มันเป็นร่างพันธุ์คุณรู้ไหมไฮตาไทเกอกันชวนเป็นเขาลูกพันธุ์เขาเอาไว้ อันนี้ยังสีรล็บออกเจบอีกอุต์ก่อนเนี่ยสีสังหูกสังเตาอยเพราะนว่าถ้าบ้านแถวเมืองเพื่นเจ้าทาคอยคอยตาเจ้าพูดอันพันะระหันไปนี้มันถีเหมนยนนี่จะไม่เหม็นหนึ่งวิพูนได้สิมาเอาใส่ลงนี่พี่น้องนีสำหรับมูนหาเจ็บซบไว้เพรา่าตาก่อนนะ เเก็บซไว้นะเอาเงินซุมนีออกมาเฮ็ดซุออกมาเฮ็ดซพดีๆแ่ให้มันเหม็นเงินซุปชิพามือนี่ชิพามือนไปฝากกับสารฐานเนี่ยสำหรับเข้าสำหรับเข้าบัให้เกีียวจักเม็ดเงินซุปแม่ตักตรันเนี่ยบหเกี่ยวจั๊ต่างเลยเนี่ยของเ้ามาให้เฮ็ดลงจะไปเกียวที่นังเอาใส่เตียงไปเผาโรดซุมนี้เอาไว้มันย่งน้อยย่างหลายกอไว้ให้เป็นมุ่นหลงมุ่นหลา ม, น, ม, น, ม, น, ม น, นะซุมนี มุ่นูมุ่งหลานพุทธิสืบศาสนาไปนาเข้ามาติเกี่ยวเงินนจับต่างเลยเงืนกัญญาเรื่อนงงกับให้แพรเงื่อนธนาคารกับให้เอามาเฮ็ดโซ่เผาเนง่ยงยุทธได้ก็ได้ให้ลูกเต้าฟัางทำมันดีนี่หล่าใส่นี่หล่าใช่นี่คักเลยเสียงห้องเข้าซ่ัมอ่มมนเสียงผู้อื่นนังซื้อก็ยังบคาฝันนี่เล่ขยาจบอกอืม ได้เยินไหมล้มปวดรวนได้ยินคชัดนะถ้าพร้อมตายตอนกลางคืนก็ดีตื่นเช้ามาฉันยังหันเสร็จแล้วก็ต้องเผาเนอไม่ต้องเกี่ยวว่ากุสลาสลาอะไรก็ตามหรอกแล้วก็พินหัวไปทางทิศตะวันออกถ้าพินไปทางทิศเหนือมันพินไม่ได้เพราะภูลูกนี่เน่ยมันต่าลงมาทางนี้เนี่ยพินหัวไปทางทิศตะวันออกแล้วก็นอนตะแคงข้างขวาแล้วก็ไม่ต้องห่มผ้าให้ไม่ต้องล่าง เอาแต่เอาไว้แต่ผ้าสบงก็ผ้ากีบอนเท่านั้นผ้ากีวอนไม่ต้องห่มเนาะห่มแล้วมันพอไม่ไหมไม่ต้องล่างดอกกุสลาก็ไม่ต้องว่าดอกเรามีบินธบานก็าพาพาคัดไปบินกินส่วนเงินที่อยู่ในคลังที่มันมีก็เอาไว้ให้เป็นมันละดกขอพระพุทธศาสนาสำหรับพวกท่านจะอืม เขาจะทำกระลงผมม่ต้องทำเนาะแล้วก็เอาเอาโคส้สซกมาล่องบอกบ้านอยู่ตามถิ่นนี่เออเดี๋ยวนี้เราปูกมรณภาพแล้วจะทำตามพระวินัยขององค์ท่านท่านผู้ใดมีศรัทธาก็จงเอาฟืนมาใส่ไฟให้องค์ท่าน ถ้าใครมาทันก็ทันใครมาไม่ทันก็อย่เอาผิดเอาถูกเน้อเพราะจะทําตามพระมินายกรรมขององค์ท่านถ้าไม่ทําตามพระมินายกรรมขององค์ท่านองค์ท่านทําไว้แล้วในหนังสือต่างๆทุกชนิดมันทั่วโลกแล้วมันทั่วประเทศไทยแล้วมันก็ทับถลมท่าน พ, พูดอย่างนั้นเน้อ เตียงเตียงอยู่ข้างล่างเห็นไห้เนี่ยเตียงเล็กนึนเอาเตียงเล็ ก, กนึงไปแล้วเอาเตียงเล็ ก, กนึงไปเลยค่ะในพวกพระผู้ใหญ่ที่สําคัญสําคัญสำคัญสำคัญสำคัญมาทํากองฟืนขึ้นให้ยาวสี่ให้ยาวสองเมตรเนอะกองฟืนเนอยาวสองเมตรแล้วอันที่มันบ่พ่อเมนะ็ดอันที่มันไม่พ่อเม็ดถ้าขดขวนขีมใส่เห็มันยาวสองเมตรในวันเนอะ มันจางชีวิตของวิทยามันจากเสือใหมไ่ไเขพาใจบอกส่วนชาวบ้านชาวเมืองเข้ากับประการเรื่อยๆะเขาก็จะคอยง้มเลยคอยย่อมมาได้แล้วกูนิงๆๆๆๆ่งมึนนิ่กูพูนันไปหันพูดนี้ไปนี้มันเนา่ามันเหม็นมันมูตัวเฝ้ายอากขนาดน่ะพาใจบอกรงก็ไม่ต้องเหตุสะตางว่าได้ใส่รักสตางหรอกถ้าน้าข่านุมนี่ว่ห้ไปเบิกไม่ใส่จักบาทเลย เขาไม่มมนเหลือทูกบาทหนึ่งสองบาทก็ได้แล้วมันได้จากส่างสาราก็ได้บ่าห้ไปบ่าว่าห้ไปเอามาใสเบราะว่าที่อเอาเงืนเผาอย่างนี้สี่เอาฟืนเผาะ ล, ะล้วนๆมู่โตนั้นพาเตรียมอยู่นี่แล้วให้พักับแจกกันไสผู้ใดมั่มีเขพอใจบออันนื้อก็เตรีมอยู่แล้วอยู่นี่มีมพ่ผูนในใ้ใดไสแล้วพาแก่นพาพ่อนทอนสบายฮะนี่ผู้ชิม า, าาอ ม, อมาทําบุญหาหรือมั่วมาทําบุญหา ก็ไม่ต้องไปแพ่ไปขอเนอ้อเราไปบินถบายมา ก, กินเด้อบานไพรบานมัน่นพระองค์เจา้าขาแตงขนาดเนอ้อวงสันเนอ้อี่หลอกถว า, ายเลยเพราะน่านเน้อหมดถรซุ้มอยู่ใกล้นี่แล้วผูจางกาดีซุ้มทำเฮี้งก็ีซุ้มนี่ก็ดีซุ้มอยู่ใกล้เเพิ่นในยื่นไก่เพินเนนพ่นว่า หายหายหายเป็นเรื่องเพิ่งมาเองแกหายอะไรไปมีมลมันหนาชีพันธีมากเพิ่งอย่างนี้นหาไเจสี่นิมลท่านสวนผราวัดบ้านท่านส้วนพราวัดวานเน่วัดลุกปึ๋งมึงแล้วก็วัดโคกมึงรล้ววัดนแวงนึงมีผ่าพรทอนสบายอันรกก็พักันจัดไปถวายเพิ่นเนออันผ่ารผาเหลีมันเนอจัไปถวายเพิ่นนะท่านท่น ว่าเงินบวมิกับห้ากับว่าห้ก็ได้ดอกพนตายทุกตายยากบวม่งเงื่อนเมนเงินชุมครั่งพันว่าห้เบื้มากเหมือนเนาะเงินชวนตัวพ่นกับมีต่างสัอาสวางเสนาพันเก็บไหลวางเสนาต่อจะพาไปถวายพาพ่อขอเนียออกจากสงในอยู่ดอกมันระหูพันเอาไปถวายพันนะวัดนีก็ได้แล้วก็วับางกอกกลางได้แล้ว ส้มวัดมูนี่ก็คึอกอะไนละ่ะแล้วแต่มันแล้วแต่ที่หายวัดระผืนสองผืนกันแล้วแต่ที่หาว่าอันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์หอก็พวกตัวอันชัน่นเงี้ยห้ามที่แท้ห้ามว่าให้แพ้ขอห้ามว่าให้เอาชสวมนี้มาใส่แล้วาห้ามว่าให้เก็บซุบไว้แน่พี่แรกกรรมันยังโงยงยงหยงวัดในเรื่องนี้มีไม่นาทีสี่ทีว่าวเราเพราะทอร้ายแล้วสายย่ามไหนให้นหมูเอาไปเผาย่าม น, นั่น หนูพ่อพ่อลบแลรวก็ว่าโอ้ยพ่อไอ้พระท่านคอยปฏิตายขึ้นเจ้านูะ่านนี่นเรียกว่าอานิจจาพระว่านเถาะบ่าบันบดเทยงพระท่นไม่ต้องเอาผ่าปูนั่งไปปูมันเป็นแถวหรอกวันวันเผาห้องปฏิบอกวันเผาฝากคุติล้งนี่ไปคันทิเข้าขไปในมันตีฐานกูเหม่ลาย เอาคนทั้งวันนี้ได้เป็นข้อใส่ช้าแลวค่ะเสียอ่อนมันดีมันทั้งวันนี้ฝากกุฏีร่างนี้ไปแตพอดีนี่พอดีขาเข้าไปทปั้งกุฏิเนี่ยนะนับถุนมันขามเข้าไปยากอะมันหกอะมันจะใหม่ฟ้าใหม่เมืองเอาโต๊ ว, วัน น, นนี้เาเอานนูนนี่เราปิ้นหัวไปทั้งตะวันออกเอาพื้นใช้ละลายให้มันใหม่เร้่อกระดูกมุดสะทิมเนาะที่ภาคัะวันออกส่วนบริีาขเห่ า, นาๆนะ นาฬิกาไผ่บวมี่ไผ่สมุดไผ่กันซ่บาดไผ่บวมีี่ไผ่สมุรไผ่กันซะโอโะ้ปลโกรกซ่เบอริคาน้องเฮ้าอะอันใดสาคัญว่าสีเมนตน้องเฮ้ากับไหแกกใหมั น, น, ม, นมดนอกร้านเอาไปเป็นขอ ง, งสงซะนอกร้่นลูกหลานเข้ามาอีบ่ไรรู้มั้ยพับพาริน่าบวมีลูกหลกานเข้ามาอีบ่ไร หนาที่ข้องสงมีก็มีอำนาจกฎหมายทีมีอำนาจไปได้ก็สร้างเขาสร้างไะไรยังี่เขาสร้างสงอะไรยังสิกฎหมายสีว่าบังคับให้ลูกหลานเท่ากับรไรผาพื้นหนึ่งก็รไรร้องสั่นเอารอว่าเขีนตัวนึงก็ไมใหายลูกหลานเทา่าร้องสั่นลูกหลานทั้งโลกลนั่นเถอะเข้าใจบอกว่าเนี่ย เพราะว่าอย่านพีนัยกรรมมันหหวอยู่ก็เลยมาสร้างมีไว้อย่างพินยกรมเนี่ยแต่บอกเงาผันนนมาหวตัวนี้กับพเป็นเห่าจะท่าเงินยอะนพระคั่งมหาสมบัติน่ทฝากไว้สกอสางก็ดีเงินส่วนตัวเฮาเฮาปรเก็บแต่ผันใดเนียเอามาเฮาเอา่วชมเข้าหเท่ละมืองหมืเท่ากับ่วงเชโมเมื่อเฮาไตมาเฮาปรด้เก็บเงินไป ฝากไป เ, เ, เป็นพิเศษ่วนตัวของเขานี้องคสว่าสี่ไปซื้อของเข้ามาแล้กระฟังขอให้เป็นข้องสงว่านเะขอใเป็นข้องสงในวัดนี่ไม่ให้เป็นข้องสงในวัดอื่นเวทนาข้านสี่ไนซื้อของเข้ากระตามต้องให้เป็นข้องสงในวัดนี้พระกอพระอ่อนโยมก่อโยมขอทีไปใครซื้อจากของ ว่าเบื้องเิ่นเนจ้าของกระซงว่ให้คืนให้ถือตามพระี่เพระพุทธเจ้าใครถือตามพระยีในี่พระพุทธเจ้าถือให้ยั้งสนศาสนาพุทธม่เอ น, น้อง่านสีตั้งสิ่สีตั้งก้งนให้่าลบลบขามช้อนพระพุทธเจ้ามันก็นลบไปไดของฝ่ายพระเีบนฝ่ายย่มเถูกบ่ อ, อันนี้อันนี้ไม่มเถึกใไปแก้ซะอันนี้มเถึ่อใมีสงยางต่ำหาหาหอกองอันนี้โมเถื่อให้ไปแก้พระไปแก้อันุ้มที่ใส่ในสารานี่มันสีมดอันเป็นกระพิชนิดนึงมันสีเหลือจากสารานี่ให้ไปเห็ดให้มันดีเข้าใจบอกฮเนี่ยเข้าใจครับ่อันส้มมันสีใส่เรวน น, วนี่มเห็ดกะยาดอก ยังไงไปใช้ท่านเอาไปใช้ดอกอันชุมันสีเหลือจากสารานี่ดอกให้เฝ้าเฮ็ดไม้ได้นี่ต่อไปอได้หนี่ต่อไปเนี่ยท่นเฝ้าเฮ็ดสาราเราพอใจว่ากติมีมาแน่ห้เนี่ยให้เี้เป็นของสงฆ์วัดเชาวบ่าวจ้าสตางค์ลอกท่านดอกจากสืใช้ไปจําวันลดเขาจะในส่วนตัวเฮ้าเฮ้ากติว่าเอาเป็นส่วนตัวเฮ้าดอกจากเขาสืบมีเหตุจําเป็นให้คนเดินทาง ไาฮันไปนี่ให้พ่อเจ้าพระสงฆ์เจ็าปวยไปยังั่บอว่าเอาให้ใครูฮันหวพ่อบมาไหเอามาเอาอีกคือใครค้อเขีย น, นเนนม่ไรอกวานั่น ม, ม, <อ>มือนับมือกี่ล้าหรืว่าไหนก็ถือพวะนมูอมายถามพ่ถามแม่ตะกอนตรงน็้จนมือมาเลยเื่อนของแม่เรานี่เพื่อนของแม่เราเนี่ยชืามื่น เอาไว้ประกันเป็นประกันตัวพระอยู่ในคณะอาคารทางอ น, นไทยเ อ, เอาไว้ประกันพระพระอรเห็ดโลกมาถาพ่อทำไงพ้ะซุ่มหลังมาสหรับทุ่มเข้ามาอด้เห็ดโลกาาลลลออตะปูบอยเกียดอกหนึ่งทอดดอกดอกพยาพักกันเอาไปหลดพี่จะพันงู บอกเจ้าข้าเจ้าจ้าเจ้าเลาะบ้านพระทุ่มเน้นก็เลยบอกข้าเจ้าข้าเจ้าได้ยนข้าเจ้ามากเองเนาะขวัท่านเหียมข้าเจ้าเรียนข้าเจ้ามาเองเนาะขวัวัดน้อยข้าเจ้าเรียนข้าเจ้ามากเองเนาะว่ต้องประจำบอกหลวงปู่จามเพราะเรียนยิ่งแล้วแต่คือว่ามากกับเป็เรื่องของคนว่าอาผิดออกถือกระเพลนผู้บาอาจารย์ชุ่มไห้นชุ่มไห้เือกันุอินก็ว่าให้บอกเพานนี้จับตัวมั้งหรอช่งไหนนนี้จับตัวไปแล้วว่ต้องบอกุมพะชุ่มเน่น พระนเนพระตะจีมาหอกมากขาว่าท่านนี่รอกแตยังว่าตายแล้วข้า่าน่งขวงโมกุของฟ้อนขึ้นคือพรท่านเนี่ยม่ได้อะไรับ่านเยอะแยท่านตายว่าวยนีข้าว่าตายล้วมาม่พระท่านลุกขึ้นแล้วว่าของแงนหม้อของท่านยุกเข้าใจไหมูดเย แล้วก็เป็นทําด้วยนะอืมให้เกิเบุญมดเก่าล้านเก่าพวกจะเหตุถึงไงเหตมด16บกพระนครนี่ก็เห็ดถังไงเพศพระเจ้าพิศิานในกระดูกมันจใส่ไม่อั้นวอยโรคก็เทศคือทิศทันตีนั่มีห้องบอว่าให้เหตุดอกถ้าผ้าหน้าพ้าแห้งแล้วข้าวลงใสมอนลงหข้าวกัเ ไปรับชกโวยู um ่งโง่หกคนละถ้าเข้าไปสวรรถ้าเาจะไปสวรรั์ถ้าเข้าไปพ่มเขาือไปเพิมถ้าเข้าไป่มีกินเลยถ้าเขาจะไปเขาไม่ลาด้าเข้าไปเป็นคราทีะรเขาจะ้นคั่วแค่ห้าของเขาเอาเจ็บเอาเจ็บกไปแบบเมื่อไหร่รอสั้นเข้าเสื้อกำแล้วพัดองกำเยอะน้องก้องอยเนี่ยบ้ห้ยอย่าพูดเรื่องข้างหลังข้อยู่ดีแล้วน้องจ้าเสือกัน ข้าพนในโลกข้อนี้นวรังพงศ์สนุษยชุมือทยข้าพเจ้าขรั้งสอนเมื่อเนื้นอก็อออออ ย, ยังตกใจพ้นนาพัดไปยังผ่าโน้นนาแแล้วใจเจาะจะเพิ่งไผ้องไอ้ผู้ยุ้รักตั้งหลังตั้งบุตไหนแจกไก่รนนนดตามเงินยีมชิมอาหารกล้วยบุดวยบังคนบถึงตาอะไรไม่เอาไอีตรอยูเดินเื่อผุสนจะไปหอดแดงนหันขีดขวงแต่านาตรควรแล้วนี่พี่ตาตัวจอดนหอดนี้ สวยๆควันก้อนเถือนเจ่าเลยคื่ไรันจะสร้างคับว่านั่นไงสร้างหลบสร้างต่าสร้างคาบว่านี่นไม่นั่สือที่ว่าประวัดของห้องเขามีได้เร่มไงแตนั้นภายในกำมังห้องเขาไม่ได้เร่มนะฮ่คือที่ว่าห้าสงสัยคือที่ว่าห้องเป็นกงวลนี่ไม่อยางสัเอาเอาแต่ทีว่าระบบบานนี่แค่ไหรืว่าห้างบาง่างใส่สูงในเรง่ลงราแล้ว่องเงิเงียงกับเกาแต่ทีว่าระบบบานนี่นึกคับว่านะฮ่ เขาเขว่าไว้แล้วว่ว่าที่กระเทือนโรคเทือนทองสารนีหมอเฮตจะพอดตนผู้สอบที่มือนเขอ่าเหวนขามันเหรอเขาโม่เนี่ยได้วารอกเก็บอะไได้กับบด้วาม่พอแต่เมื่อที่สนอกเป็นที่ตรงเป็นเนาะส่วนเท่าเนี่ยอกเขาบอกว่ส่วนเท่าเนี่ยบอมันจะเท่าส่วนเท่าเป็นที่ไเาติดดัดส้นดานให้งโม่ื่อนเป็นสั่นบบริเวณได้เนี่ยกส่วนเท่าเนี่ เราส่วนเพื่อตนเดียวูนเดียวเนี่ย่ได้อกเพื่อให้เขาเที่ยโลกแต่ว่าเฮ้าหุ่นจักประมาณตัวเฮ้าเลยสิแล้วแต่ว่าเราเฮ้าหุจักอาตตอยู่ต่าเฮ้าอยู่แล้วพม่องเดี๋ยวอานาอัต่างสัญญาของเฮ้าเขาเขาว่าได้แต่เฮ้าของมันทเป็นพระลนดอก่ปงนพที่วนคนร้ายกิเลสนะชอบเป็นดินดีดีนี่ละน่ก็นดินขุนนม่ลงนระเจ้ามิคิเลดร้ายเขาเฮาเต็มาเป็นพ่ะดินขุนเราต่งาหลดว่า คับาปนีนะฮะนี่ยลูกเตาจะถูกากันเดือดร้อนนะ่นี่อันนี้ก็รับผู้สร้างกูเดือดรอนเมื่อไรกูได้ยินคักแล้วว่าจันอันนี้ผู้ว่าว่แสดงึ้นมาหาเท่ากับจีนได้ยินยังไงจังการเท่าไปลองยาำนั่นห้างที่เทากับบ้พ่อเนี่น้ำจันนี้นมันว่างเหให้เทีบกันว่าได้เอาลงไปให้มื่อันกับว่าประกอบกันนี่คืออะไะอันนี้คือเจ็บเจ็บว่าเหเห็นไม่เทียบกับเท่าก็เลยอกว่าเท็บน่อยใอีกสองตับสองตับใ่ไหล่ะ ต ก, กอนเท่ากับ่ได้ลงเื่อเงื่นแนว้ามน้ี น, นไอกาเนี่ยนันนี่มันนี่ขึ้นมาทีหลังเน่ยเ่ากัจังหวา ม, มามาลงน่งเงนส่งมันนี่ขึมาทีหลังต่กรอนนี่ชนะกัเฮ็ดเปราชนกบ็ดเเากับว่าเดือรงแล้วอันนี้สงสัยว่าแต่มันมันขีดระยะสลานี่แหลจัตั้งต้นไปเาาอาคาสนเนาเข้าใจบมแค่นี้ตอนนั้นเท่าไห้ามห้ามบวชแต่เบกอัธนาขั้นเมื่อใส่ แม่ประปูดอกนั่ก็หราะัตีเอาสู้ไปหานมู้ตัวสู้ก็เป็นเหรอแม่เตียงอันนั่นไปเตียงอันนี้มันนัดก็เตะใส่มู้ตัวแล้วก้นเสียตายแต่แต่หามเขื่อนมาเสมอยังหามอะไรนี่มันหามห้านั่นมันหามแล้วเท่เดียวมู้ตัวกี่ขั้นี่ย่างหามนำมันเหม็นเลยมันหาม่ไรเนยอันนั่นมันมองเม็นเพราะหามเลยอัหามขื่อนมาเลยตอนนี้มันเหม็นมั่งรู้มู้ตัวข้าแตปห้าแต่งเอาไปเผา มันก็ไม่มาไดกระดูกทีทาเนี่ยเคีดไปทัดจะข้าวตะ้อนหินดานเผาหันไม้มาสแล้วก็เอาววี่แล้วมันพัดไปบัดเลยเ็มันใส่มัหายงารบอเอาวิวี่พกนี้น่มันแหงเลยว่ะเผาตะก้หินดานน่ยกระดูกย่างพวกนี้เก็บท่านี้มเป็นเงยเข้าวนให้มันสาปน้าเอาตามพิ้งไม่คำเพิ่มเังนี่เทดนีไม่แล้วเหอ่นแล้วมันม้มสะไปมาจะสมัยเหี่ยวไปลัก ล้วงปู่าตายนี่ลังจาก้สี่เจตัวเฮ็ดรักก็กอดจเก็บอ่อนลไปเหี่ยวเหงเยาไปเนื้อไปเจ้าตัวไปเฮ็ดเจ็าวก็แรดเจอขึ้นขึ้นขง้นขึ้อีกเจ้าหยบไปยามากจิมันสบายดีเกิใจข้ากโตัวนั่นแหลมันกมเที่ยงวันรอดปันมาประกันเรี่องห้ามเราเองสั่งเสียปันนี่ล่ะสึ่งที่ไหกับกันสั่งเี่ยงกะปันี่เจ้าอปันมาประกันเร่องห้ามเนเนาะ รูกเขาเนี่ยข้าวอ่าันไหนเขาเสียข้าบุญฮะเขาเขาก็ใช้ใชบาทเจ้าพุนกับพวกยกกรุงเทพไปเขาใช้บาทยกกรุงเทพพุนวันนี้น่าจะทำบุญกุศลฮะลบปู่ล่าสองสารท่านมาถึงไก่ใช้บาทยที่กรุงเทพพุนนี่เขาก็เกลือกห้อยจะเกลือนไปใส่เมื่อก็แล้วเขาตัวมันสิงห์เองเกิดอมากไนี้ผู้บอกสิงห์เกลืวมาถึงไหนเงี้ยมาถึ นั่งท่อะไรเงี้ยหิวๆหิวอไเงี้ยกันสี่หูมันคายเลยให้ไปแก่ออกฟังว่ากันเอขงที่ตั้งจังหวัดคือกันของที่บ้านเท่ากันป้าว่าเพื่อนของควาไม่รู้จะเทีบเลยอยากทำบุญช้างเหากับสายบานก็ได้ก็แล้ห้านะหรือหางบออยากทำวายักเทปนี่ี่มันจะกลมนาลงอะใช่ไหมครับที่ก็น่าสังขารอาณจจารสังขารจังหวาดบัเตียงไม่หลอกมันนีไหมครับ ก็เป็นการเซติตเือกันนะมีเรืยองทบุญในด่านพรวนานี่ว่ะมันกิกว่ามีปัญหาอย่างไรเลยครับคือกับตเรียกเข้ามาแค่จังสิสงกับิติ่มานะเอาอีกนิติ่มานะอันนี้มันเป็ิติมานะทั้งคือทั้งคิดเอาแต่แค่บุญเทวดาเอาเฉพาทธรรมกับจิตเอาเมือนี้ ประวัติตองห้าววังเดียวมูที่อ่านจบหมดแล้วแน่นอนเรียบรอยเจบอลไรได้ยังนั่นมันมีอยู่ในนั้นแล้วอมืมันเป็นพยายามจะลกแล้วเนี่มันมีอยู่ในตัวแล้วถ้าจะใส่ชื่อเลยนะาว่าบที่นหนทำมันก็ไม่ถูกมันก็ต้องเอาเอาแซงเลยกับประวัตินี <laughs> แซงไว้กับประวัติห้าวข้างเกตือด้ว เขาเนี so example, the the ่ยพูดมาใชบาทเขากิดนี่เพะใช้บาทเขาขีดอนั่นเลยพูมากว่เขาเป็นฝดฝดเพรูมากใช่บาทขยักหนงหน้าเขาน้ามัหยังหน้าเขาเ่าก็ซซอมเบิ้งใครแล้วให้แล้วหน้าเขา็ยันฝดฝืดจูเขาขยันพูอยากมากใช่ลูกเต้ากปันให้พ่อกินแหมเรบอกอ้พูแล้วทอดทอนี่ปันให้พ่อกินเมื่อไรวันนี้ทนี่ก็ยิ้มทั้ตัวเสียพ่อขยันไม่ยอมว่นร่นหมด ย่งพ อ, อย่ามได้ยิ่งเอาเกลือมากมันพอเขาบ่นี่แล้วใช่ไหมปลามากคัณพ่ออย่างงี้ยต้องสิตายเอะมื่ใกล่สิทธายเข า, ามากเลยงวมนมากเลยได้เดียวนี้งวนหลายเลยได้เดียวนี้เมื่อไก่สิทายแลวงว น, น, น, น, น, น, น, นลหลายเลยได้เดียวนี่เจ็ดตีแปดเหรอเจ็ดตีแปดยังมาถเงินยังตายยังเทียมันทันสิทธิโอ้หลกหลามเลยไม่โกงให้เปลี่ยนกับใบใส้นอ่เงี้ยเาหลุกับเต่ามันจะเจจะชื่อนัสทุกด่านทุกมุมหลดว่า นี่นๆๆนๆ่นี่นีนี่ีร้ว่านี่ทำไเอาไปเท้าบามันต้องพิมพ์าเปนทางนี้ได้ไงนพิมั์ออกมาเป็ทางนี้มันคล้อยเข้าใจปะทําพ์เป็นทางพุทธพุก็บรเานึนี่นนี่นี่คันขาเขามันเด้งไปทั่วแต่ให้น้ามันเพชดีดีหลังเอ้ยมันมันมับไปออมันสิเอ้ยน้องน้องครับมองเห็นคับังบัังเอยากเอาีมาทายเลยด มีสมุนทรเกาะอ un, น้วหน้าอะกแล้วมีสมุนทรเกาอขั้วมสมุนเกาะขั้มีสมุนทรเกาะขัวมกถามข้นมาในเหตุเพาะคันได้องกล่อมามข้นมานี่ก็เตียงเล็ดว่างไว้ในเตดยงคอยกิ่งแค่ละมาหนี่เข้าใจบอกคอยกิงแค่ละมานี่ค่อยกิงแคละมานี้ง่อะนี่นห้าเอา้องเอาห้านอนงนั่งจะตั้งคนนี้อันนี้วางทำเตียงแล้วขันมือเ้องยังบริเวณี่ยูน่ะให้จับใจ ไอจับใส่เต็นับไปเจที่แหลกคุณมันจะแข็งมันจะพ่อตายแด้หรอพวกที่ล้มปานไล้หรอห้าข้างเ่ออยู the IN also, okay. lot, ่ตรงน้ไอ้พรรกามาเอาเมื่อมือเดตั้งสี่้วนี่เนาะมันจะสิงับมันจะบกดูด่งเขาหายเนาอเขาเรียใร่กูมาแล้วนี่มันจะหาที่มันจะอยู่ดอกมันอยู่จังหว่างมันมันาพร้ะอ่านเรข้างเขาของมันเพอาะไว้มันจะท่านอ่านังไงอือของมันจะเอาไว้โดน ต็นหัวอมทั้งนี้เหี่เนี่ยนี่หาไฟถือหาไฟเผาเนี่ยไมคยเห็นเลยกัอยูนี่ไม่เคเห็นไปอยูนี่มคเห็นเลอยูนี่ขานอน้างไอ้สิบ่ไรเขานอนงาบ่ไรมันคลฝ่ไถือมาเอาขามันเละกระพนทั้งนี้แล้วเป็นสัมหน่อมันคือพิมพ์นี่ขั้นเขานอนง้างไอ้สิแล้วขอบขาโสิคือเพิ่งบเหตดนะ่ร้านคน นข้อมันถึงไส pues ่เหาน้าข้อเขาผัวเขาจเกิดเจ้าสเดียไม่ไคือเห็นท่พรเจ้าไ้ยน่าแต่ข้างขัวได้ต้องมาตีมันเมื่อเขาเราเข้าบพ่อแห้งแล้วจะเป็นฮ้อนจะเอาเอียงมาจะเอาฝ่ายมันู่นนี่นี่ด้วยมันหยาบปวดหลังข้าววาดต่ามันหังจากน็พระนกเจ้าบัตรฆ่าตายเลยที่จะมาผูกมัดใส่ตนนี้เข้านบพ่อแห้งเขาพาหน้าพ่อแห้งแล้ห้ นั่นนี่หาเอาไว้เสียลูกต่าพวผ้ากันล่างอะไรหรอผ้ากันล่างอะไรก็เพอรเดียงกางชีอะนี่เอาไว้ชีะี่เอาไว้ชีอะนานนี่เป็นเสื้อเป็นยังยึดเฉพากันอาไวเแล้วมันโมไมร์นีมันจะอบอยู่ห่าแล้วก็ซซกออกซะกระดึงออกมึดเข้าใจบ่าการทุบหุ่นจักการทุบวันนี้นี่ยวหต่อตางไปมัน้งให้มันเหี่มึดนว่มันสะจับอบมอหให้มด้างมดนั่นแหละ ภูพงศ์ให้นิ่งตัวต่อกระตางไม่งมันนบุกเต่ามัวห้องนะิวัติแล้วอย่างว่าหายเจ้าพนันผู้นี้ฟั่งอ๋อหายเจ้าพนันผู้นี้ฟั่งนะครับหายเจ้าพนันผู้นี้ที่เผาปฏิติว่ามโหหอยว่านี่อัดเทีบอะไรอ่ะเทียบเทยูยังหนยังมีตัวผูนี้อืแล้วทำสั่งได้สอามคนสองสคนที่เผาก็ิติว่าหหยว่านี่ให้สังผู้นึงให้มันล้มดเข้าใจว่าให้มดรันของมันกับปฏิยุทธินี่ร้องกันสี่ปีแล้วข้งมาฟ้องกันมดกัไปเรื่อง แต่ว่างคนหนี่เาเรียกว่าซังมัดหลวงมัดเต่าเลยว่าลำอียงวางเส้นเถาะขอใจตัวนี้มีกลนวเน่ามีกลนตุ๊กตามีกลนตุ๊กตาผู้ใด้ยากได้กาให้ยท่ากันโอุปร์โลคาักแค่ท่านเตทั้งโคชาโอยาพัทธมาฟาโค่ได้เก็บวันเช่นกันจะกรบริการเฮาได้ก็วันจะแจกบริกาเฮาแจกเข้าาแจกบริการแจกพวกนี้แะอยสกุลไหนหาคกวไหนหย ให้ภาคการ่ังแนนเถอะมอรูมืร้านเน่เพราะวเคี่ยวของเนีังแน่อกเถ้ามาม่เก๊ะติดต่างนานใจตาอ่ะถ้าแูางจาไได้ถาบอกไอ้ตอนเย็บมือมือที่เ็บน่ะแะแกุข้ามหลยมือที่แปดก็ได้รเยงยาจะเอาไปใส่ไว้ในนี้พืชที่พันพืชที่แผ่นอันนั้นอันนี้เดี๋ยวเว่ากอถ่านเดี๋ยวเขาจะว่ากอเทพเขาจว่ากออยู่นี่มีตะปั้ส่กอมาง่ะหิแกะกันไปใส่แลยังที่ได้ประโยชน์ มันสีเดียวกเอาไว้ให้ราเจอกันวนเอาตัไว้นี่คุณรไ่ก็สั่งซื้อนใส่บริการนั้นอยากจใส่ใส่เหย่างบริการักทธบ่หามบริการนักพุทธเจ้าบริการพุทธเจ้าก็ใครแบบ่าบริาทศเะูว่าอาจารย์สั่งภใหญ่้ามิกานนั้นห้ามัานเสาถิมหาบรรนาถเอธเอธปูนหน่อยเอธเอธเอธเอธปนใครจะมเอธกันหรวางแขนโนยากสไปไปยากสุไปแ่งเงาเจ่างหังแล้วมันเสียแล้งเขาจะถบตะลุกบนไปทา เงียออ๋อาตัดอีกด้นะไนเรองลกันเลยมัตัดตัเจ็บหนก็เ่ยดแหละเหยี่ยมจน้อยย่ดเจ็บน้อยทก็ไม่แย่เลยเจ็บก็ไม่แ่มันเจ็บมันเมันเจบดวันควุกอย่างตัวต่างไปนี่มันต้องายพาะว่าู้หญิงมัอตัวไปได้ตาย่ตายก็ผูง ไม่รู้แต่ละวอที nah, <ater> <gra> ่ตัวนี้ไปได้ตายก็เป็นมรรคตายเป็นเฉพาะอย่างหนึ่งตายแบบอะไรกันร้องเพราะขามันตายเพราะน้ำคู่เปาบอกเขาบอกขาเนี่ยเขาตายรู้เป็นรู้ตายคกอ่อนเนาะ ทำลูกปูมหาเปิดกับปันทอดกินนื่อแน่เสมอเลยผมเห็นเป็นอย่างเครียดห้ลูกมหาอย่างนี้เอาลูกปูมห า, ห า, ห า, ห า, หาวางให้โตโอสํารับผู้ขายเพื่อพอ ม, มีพุ่นในวัดในว่ า, วายัางจะวัดที่มาเสียเพราะว่าเา น, า น, นื้อเป็ดเชือกสคนตายค น, ค น, านตายเหนคนถ้งร้ายก็เงือจายแหละเ น, น, น, นือกคั้ประยุนวัดเขาเป็นามชีวิตเชืกนืเห็นไ เขาเป็นเครื่องคุษาตัว erm ú, réussi, มัน่พะห่มันจะเป็นเรงไรขน่อยเหตุเรงที่มันจะเป็นยังไหขน่อยตัวมันจะเมือนแล้วจะไปจับหูหิวมันก็เพลิดเพลินเถื่อนผู้ใหญ่ีม้วมันหมวกเือผู้ใหญ่เ่เล็กหน่อยผู้ใหญ่เี่เล็กหน่อยน่จะเถื่ยังไมก็ะไร ต้อยักกา้งักาน่าสมเทีู่งงยักพอยู่ผมกับอะไรอ่ะของคนัก็ตกพราะา่เขาจนแสออยพเขาจะ้งจนองวพิชจนงเยอะสตัวเราจจเน่มดวจะไก็พิแล้วสักัก็ิงว สามสองเส้นเข้าลบเป็นตัวแล้จับงูยูเลี้มันทวามติเอาบูมี่เลยโปรเลบูมี่ไ่อกย่นโค้ดขโมยขุ่้ดเขาชู้กนอย่ผ้ามัดดูห่อเออแล้พที่แกวบอกว่าหันหลูหง้หลง้องบันบอกพวฟังพพอพวแม่ เขามากโกรบมขมาลงามาจกปากากันสิโนเสียเหรียญเนี่ยในสัน <laughs> ออกมาละคุณหมอออกลนะเพราะว่าเนะขาใกล้ีตาแล้วละอืมใกล้สีตาเขาได้กี่เหือยญแห้งหลายโขเข <laughs> าต้องเขาบ่น ม, มาฝรุ้งห้องศา พี่พ่อคือคนเหมือนวุฒิเหมือนเล่นปวดฟิสตัวตัวตัวพี่กันวันนี้พี่กันไม่สบายเลย ันนี้คบเมื่อแล้วบผมเมื่อเจ้าอ่โลกอันนี้มันมาเป็นโลกผู้ไรห่หางขี้เพรมมาากก่มันทำไม่งมายกันมันทำไม่จบตากัน คือยทงไหมโลกมันมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายมาโลกมาโคตรมาลงอืมมันสั้อุปสรรคมันจะเป็นยาวิเศษมันจะเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเบื่อนายโลกเขามันดีถ้าเป็นง่าขาหินเขาจะไปไหนมันไมด่ดีถ้าเป็นง่าขาหินโดยจังเบือ่อ นายไข้หม้อในวัดตาองศาลต้องปล่อยได้ยิ่งพบอุปสรรคแต่ยิ่งมีกําลังปองแง่พอส่ตัวยิ่งพบอุปสรรคหนึ่งยิ่งถอยออกจากพระพุทธศาสนาเนี้นี่ยวมันตีตายทางโง่ยิ่งพบแก้พบเย็บพบตายพบโรกพบกลัวพบโล้มพบขาวพบแกงอืมเขาจะได แห้งถ้าไม่เกียจไถใจเพิ่มควบเบื่อได้ค่ายเ ม, มาเนควบหลงห้องกระของจะเกยหลงว่ามันจังแมนผู้สลดดับเวยโอ้โหข้าจังแมนผู้เสียนี่จับวัดตาทศสามได้เพราะถ้าแนี้่อไหรแล้วนี่จะควบหลงกรของเมื่อไหล่ะนี่จะควบงอกระของเาื่อไหร่ละถ้าสิ่งนี้เฮี่ยมเฮี้ยนในซ่านนี่จะควบวนนล ห, หนนวบลงห้องงอกระของได้คือไง เราคิดวาเพิ่มูข้มลงเข้มลงกับของอะไรอางเี้ยนองสันว่าถ้าเราไม่กิเลสเทาสิเกิดมาแหงสันอืมเพราะม่แพเห็ุกันพนกิเหตุโดยค้อมกำลัดของพลนคือพนบริวังมาเสียเอาลูกผู้ยังสันลูกพูดอย่างสื่อเลามีกิเลสเท่ากันก็เกิดตะนแม่ หลวงพ่อส p p a a ั้นเอาลดว่าพ่อแม่ห oh ้าวกับป็นผู้ยิ่งซึ่กันเองอะเพราะพ่อแม่พระพุทธเจ้ากับป็นผู้ยิ่งซึกันเองอะข้าวสั่งผู้ยิ่งเขาสั่งแม่ห้าวซึ่งกันเองละว่านะข้าวว่าสั่งผู้ซ้ายก็สั่งพ่อห้าวซึ่งกันเอละโอพ่อห้าวกับแม่ผู้ซ้ายเน่แม่ห้าวกับป็นผู้ยิ่เน่หรือว่าจงไหนคะเนี่พระพุทธเจ้าเกิดน้ำผู้ยิ่ง เพอาะการผู้สร้างดูสว่าอย่างไรผู้พุทธเจ้าพระเกิดเชงนกันของมหาพระเกิดยืนซื้อหรืหลังพระเกิดแล้วเห็นโทษในวัดราท้องสามวัดรู้สร้างให้นี่ท่านเขียนเข้ามาหน้าออกจากวัดราต้องสามไปมันวมาอยู่ในวัดราต้องสามนี่ควายเขามาอยู่ในห้องกุศลแก้วกุ้งน่ะขวางเขายังงงห้องไปสวรรก็ตกไปไปพุทธมรรคก็ต่อปไปนี่พานก็ตอไป กจะแก้อวานกูจควยเขามาควายชื่อเขายู่ตัวเขาชุ่อยูมาแ้วเขาเขาก็อยู่เขาแหงเนี่ยอยไปแท้งเขายูแหงมือเขาห้องอ้ยไอ้พวกนีรี่นตื่นแต่ว่าสิบปีบักทัวที่ไปพ้นทุกข์นราธาสท่องสารนี่แหละตามคนตามสิบหวังป้นทุกอ์นาธิาสท่องสารเนียปัญหามันกับสิ่งนี้ยังหลายตลอดก็เด้วย ขันวงถึงว่าความเรื่องความไกันนี่นะว่าการสงคามในปัญหามาไกลละนับเ ป, ป็นบวกงูปูปีไปนับจะปูจะป่าไปอืมอที่เอาแพรเอาชนะ ก, กันนั่นเ่รามันแพรด้วยมันพัานกิเลสทัานนี่ น, น, น, นั่นเกี่ยวทีนกิเลสพ่นกิเลสในขณะจึงไม่ปราณีบากจึงไม่เอาชิมห น, น้าท่าง จึงมีก้าไม่สมิสแกาการจึงไม่มุสาวะจึงไม่ลืมนำเมาจะบปดื่มมันขับเมาเพราะแห้งแล้วจึงไม่เส้นหาเิ้นแตกไหเกินเครื่องหัวของหม่ห้อทั้งหลายขันบ่หมันบ่ไม่อุปสรรคเะฉั้นพรนก็น้องใจหมดแล้ว มันมีอุปสรรคก็ที่ว่าในนอนใจนี่ในว่ฏสงสารนั่นนี่อุปสรรคแก้ไปเสร็จแก้อุปสรรคตายกลัวกลัวหลงก็ไม่อยู่ใน่คิด่าใจห่อผู้เทศก็เอาโรคมาเทศเอาอมผู้ผู้เทศก็เอาคีดเหตุมาเทศผู้ฟังก็เอาขีดเหตุฟังผู้ปฏิบัติก็เอาขีดเหตปฏิบัติก็มันก็คิดประโยชน์ม่นในสัมรวมสัมรวมกัน นีา่าฟมา็นเอนคาร์โกเพราะพดท่เจ้าพ้นจากกิเลสไปแล้วขั้ว ข, ขังเอ่อถึงกว่านั้นพดที่เจ้าประเทศเอาได้ทอเขางอวนี่ยขนงอยจ้าวันไปไดหมด น, นั่น มาเจอรย <lad> la, <lad> ุกระยุก่พระพุทธเจ้าเจระยุกระยุกหนึ่งะได้ทอขนงัวนนี่ล่ะเขาอ๋อได้ทอเขาง่วนขนง่วมันจะวุ่จับจับกอดใส่หมดได้ซ้านั่นได้ซํานั่นนี่สินับซไหนได้พระสุวรรณถ้าข้ามีอนา้ามีอรหันได้เป็นซีประเภทได้ซ้านั่งล่ะซึงนั้นกับปล่อยทัดเสียระชันบ้างวหกบ้างแล้วพุทธไมอูน พระพุทธเจ้าจึงสร้างฟ้อนไว้ว่าทิศทตัวเถียงเทียงงอนกันเนี่ยเพรมันทิศทีเอียงทิศทีราคานม่ราคาเป็นสมมตฐานเพราะไม่สิ่งที่หงที่หึงงูซึ่งในทุ่มเถียงเกียงงอนกันนเมื่อทิศทีราคามันเกิดขึ้นมันมาสมประสงค์แล้วทิศทีของโมหามันเกิดขึ้นโทศสามันเกิดขึ้นต้นแล้วัถ้าฟ้อนรันแทรกกันเป็นหน่อ มันโมมีบนทิศจากบนพระองค์เจ้าทุ่งเสียงเกียงงอนกันด้วยกินด้วยใช่ด้วยอะไรก็ อ, อะไรก็คือทิศธิราคะนั่นเองเมื่อทิศธิราคะมีแล้วทิทิมททมโมหโทสะก็เกิดขึ้นส่วนโมหะมันดองสานนานอยู่แล้วคุณมาโมหะมันดองสันดาบนี่ยแนละ นี่เมื่อออกภรษาแล้วเลียกว่าปวารณ์อนะ อ, อกภรษามันปวารณ์นะข่าวพษาเรียกอริษามษาีมัตสมิงอาวาเสีมังเตว่าสังวัสังอุเปมิพาพเจ้าสิโยน่นนี้ตลอดสามไปมาก ควรสิปฏิวัติตามสถติก็ลังของจ้ของออกข้อสาแล้วังค้ำพันเตะเพราะว่าเรมิทิเทนะ ว, ว่าสุเตนะว่าปริษสังกายยะ ว, ว่ามา ท, าท่านตุมังอายจะสมันตอนุกับฟังอุปปาทายะเเมื่อไดเห็นก็ดีเ<อ>มือ่อใดยินก็ดีเมื่อสงสัยรังเกียว่าผู้ ข, าขา่าปกปฎิวัตบ่ดีกดีจงส่ง อนุ ก, กำ ป, งกำ ป, งปางอุปปาทัยช่วงสงเคราะห์เตือนผู้ข า, าเรื่อยๆไน่พอดีหน่อยยู่ว่ว า, า, าวันตัวมหาปวานาหน้าออกพรรษาเพรานี่ผู้นอยเตือนผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนสันชีวิที่ เดี๋ไปจับหูหิวเตือนเอาเขาไว้ไรอ๋อเขาไม่แนก็ไม่รู้สมมติว่าอาจารย์ทำพิดลูกศิษย์มาเตือนที่เตือนวิธีไรท่านอาจารย์ขพรากาวเลื่อนศึกษาท่าเข้าท่อมันสัมมันถึงว่าเป็นทังสั่นเบาเพอศึกษาแน่พลรูปตัวพนกรับเองนะครับ เราที่จับผู้หิวเอาว้ยส่วนพูเนาะผู้ไงเตือนผู้น่อยเล้วยวจ ก, กรณีเดี๋ยวจะ ก, กรณีเดี๋ยวเหตุผลพ่อแม่เขาตีเคิดกนนกระร้างคพ่อคุณแม่เลยลูกข้าใจเป็นเงสั่งลกขัวใจเป็นเงสีพ่อแม่ผิว่าอทําไมไม่คิดทํามันคิดก็บเอา ทำให้มบิสทำใม้โมถือก็ว่าไม่เกี่ยันถือกุลจะให้บวกมันพนทุกน่าตารงสารให้ไปย่อพยาย่ำเลยมันพนทุกน้ำตารงสารเนี่ยข้าไปพุทธชนค้นหาอยู่่คนดีมันก็ไม่จับพระอรหันต์ก็ไปจาบพุทธชงค้นหาสุขคนไม่บอกสงสารนท่นอะนี้อันนึงขวนคิด มู่ห้องอะไรนะนู่นอะไรเพื่ออะไที่กันมดอ๋อู่กตัวย่าลูกผู้บำเพล็กรผู้มหาไปเที่ยวล่าพอล่าแม่คิดพอคิดแม่ลูกคิดกับนักป่า อาจารย์กบันทิดลูกคิดกบันทิดอาจารย์กนักปามันเงี่ยน้อเป็นต่อฟังโอ้ยการงาน พ, าพ่อแม่ผู้ว่าอาจารย์แล้วงรเปล่านเน้ะสมมติี้ยนะเพ่อนเพาะเดนีสองนี่เนท่สองห การงานพ่อมีมยผู้บหญ่จานแล้วรบอว่าการงานพ่พนีม่ผู้บหญจานแล้วนค่นว่าคนน้อยนี่ไปที่สิไปเทีว่ทไทวไหนเนาะโอ้ยผ่าแผลอะไร่ะไรละถอน่วนเอาฟืชแม่วะแม่ระวงังนี่ส์ ก็เอาได้แล้วต่ว่าเดือนสามต้องสด็จอาพื้นอีเวแค่ห้องเสด็จอาพื้นนะเพื่อ <c oughs> ขันมนมีง่ายมีการมง่ายนะ ก, ก็คน้อยก็ซื้อคนม่กลาไม่งายนะแล้ขคน้อยก็ซือ้าลูกค้าโมข้าเพื่อนเห็บถวายข้แมูบายบจานตะก้นยังสไปส ก็ว่าพอ่อฟันนู่นน้ออันนี้วะท่นแต่ถ้าว่าขั้นไปสือไปท้างไหนน้อคนอน่นที่เป็นต่อปล่อยบอวะท่าเราปไปแช่หุยักแลอะไรเราส้างคีอไปแค่ให้เกียรติเพิ่นโอ้ไปเท่าตัวออกระดีอยู่ คือบาดมันหางทั้งทั้งทมพระดวงพระแดนกัทั้งบนหน้านกเข่านีมันสีเลร่วเขั้นไปที่ไปเมื่อไ้น้องเขาหน่อยเขาว่าโอ้ก็ได้ก็เห็นสมควรเขาพวกออกมากตกทําน่นอนผู้จ้างหาเ ก้าป็กรทการศึกษาขอเดียวกันเดียวก่าตมันม่เป็นเนื้อสัตวนี่ถ้าเนี่ยนักปฏิบัติไม่ต้องเิ่งศึกษาคนลนจะไปเหุตามอัตลากเมื่อมาตัวรองไรรนว่าอุตสาหต้องให้คนเป็นคนเสมอเสมออน่งนี้มันจะคือ นกตัวย่างขึ้นโอ้ข้าเขาเลียงเขาจะเลี้ยวานิวาเพราะในเตียงมันก็ลกเคก็เคกเตียงครับองมเตียงกเลียกเคียก็เคลีกเคีเตียงไม่เียงไม่ใชก็เียรกเีกเยกนีนอนเอียงไปเอียงมายงไเอียงมามาแพร่บ้านไม่ไม่ไพ่ป้าเขาในกรกง เาขาวกุงกลมเรกูไปค้นคน่อยสางคราวาสอะไรแบบนั้นก็กูไ่เฮ็ดไผ่พ้นนี่มัติทับกูได้หนิว่าสัากูเฮ็ดไผ่พ้นเนี่กูเฮ็ดเจอไหมมันจังสีวบ่มันจังเสีวบ่อันขำว่าขำอ้าอโมอกุยอะไรแบกูว่าอาจารย์กตกตกออกตันที่ที่นั่นจะตอบเรื่องพราเนี่จำมาหาโถ่อยแล้ว คนผู้จ e ัดมาหาวิทยาัยด้วยผู้จ <ST 1> ัดมหาวะเตียงของพระแม่ผู้จัดมหาะมันโรกคกเขเตียนโรคคเขียดเตียงย้อมผย้อมสาวให้เ่าอยเฮ็ดคือเป็นเรื่องง่ายๆข้างคนน้อยค่วงให้โลดมื่กลุ่มของพระแม่ผู้บวอาจารย์หมาพอะแม่ผู้บวชอาจารย์เนี่ยพราะอกาพน์สบ่ยว้อว้อ ในที่ว่านี่พรไเด้รมาพะแม่ผู้บาอาจารย์นี่ะถกนวรรักกรอีกพราพะแม่ผู้บาอาจารย์มัเคยสั่งทั้งโลกด้วยว่าบวดมาเน่ผมว่าด้เอาเมียคือเพราาเอาเมียยก่าีอยู่ในม่บวชแล้วถูกรักรอีกยารักทิฏฐอ่อนามคนเห็นทิฏถูกถูกแลวั่ง้อ้าติขอเลือนคนต่เลืนแล้วย่าทักอทั้ อยากเหตุ เ, เตียงไงอ้กนีูนาว่าอาจารเพิ่นว่าขัน่เหตุมันทับพุนเนี่ยเพราะบเคยสานคารวาเลยเน่นึงมัทับเลยพราะบุญเสอคราหลงเนียเพรเพียวขอเคพวอเคพวกโอเคอยู่เลยเหรอเหย มันพอนอ่อนงูอะได้ยุดไปงูไม่ได้โอกาสาไปควาอย่ตต่อเโอ้เฮ็ดอเะเฮ็ดเถอะก้งนไนพ่อแม่คุนเตัวเานี่ยอ่าค <c ười> so mm. okay ิดเคีไปเฮ็ดเรได้ห่น ตอนนั้นเนี่ยกลนักปิบัตเนี่ยมีความร่ำรวมานึ่งันน้เดกวกววงคนได้คนหน่งขี่ศอกี่ศอกี่ศอกผสมศอคนถระเทศว่านหงปูนี่เป็นคนขนกลเนี่ยีแงล่ี้ชี้ผาเสะอกคนเอีาเสน น้ที่ชีนี่ละ่ะสองข้อวันทีนส่สิบแปเส้นนี่วัช่วังหาที่เตียนสองข้อแล้วก็ไปเฮ็ดท่านเนี่ยตรวดว่าตัวรีเฮ็ดเผู้บาออจารยาวสูงขนาดไหนหน้อคอน่อยเลยสุงว่าหันอวกายไปสูงขนาดไหนสูงขนาดนี่ส่วนส่วน กั่วขี้ศอกขี้ศอกขี้ศอกอะไรสักใเห็นที่ลูกโกงสองข้างไหมเพี่ยงบที่มี่ลูกโกงแล้วมันสูงเกินประมาณเพราะกระ่บต้องปอบัตบเข้าไปลูกโกงสอ ง, งข้างคือทั้ทงหัวนั้นทั้งตีนนี่ อ, นน อ, ย, อ, อ, อ ย, ย่เรื่องเรื่องของผู้มเนี่ยว่าจะเอาลงให้ประวัติของเฮ้าเนี่ยขนล่งมันหลายพอดมันเล็มช่อสิหล็บแล้วรอยบาทถึ สูงขนาดนั้นต่ำขนาดนักวางขนาดนนขนาดนี้ให้ไปรบกวนแค่บ้านเขาเรือใหม่เด้อหรือเปล่ามั่จะไปรบกวนแค่ว่านเขาเรือใหม่เด้อหรือ่าวหม่บ่าีรบกวนรถขหรอเเพราะว่าแล้วกุฏิลางนั้นแล้ลงนี้แล้วพลอยสลักสอดด้วยสอด้วยสอด้วยสอ้วยอดด้วยลางนั้นแล้วลางนี้แล้วสอดด้วยเสาางก๋มนี่แล้วข้าบางก๋มีแล้ว ก็ยังสิว่าท่านในมี่จะปนคืนม่้อนะต่ว่าขีดใ่ห้องขีดเรื่องน่ในวัดแต่ไม่รู้อะไรโอ้พรนวัดพ่อกันมณฑลหลวกูมิหาหับป๊๊บข้อน่อยก็พ่อมดแอ้ฮแสพ้นเป็นสร้างตกข้อห่อยที่ีเป็นลูกมือพ้น พ้นเป็นผู้เชี่ยวพ่นเป็นผู้เขาพาะันพวกเขาหน่ยก็ชือเ่ออยพนาันอันชวนแต้ปูเพราันพพ่อเข่าแพรที่แปร์ดอกเพาันพราปีกหม่เขายืนไมอยู่เพาะฉะนัยำอีกเล้วทวดว่าตัวเฮ็ดเฮ็ดผู้ว่าอาจารย์เอาโลกสุขคมมูนั่นแหละเาันออกขอไปเฮ็ดหม่คุณไม่เพีาะะั้น แม่<ใ> <PTSD> ปลาผมนะสิมุกัดที่ตายผมไว้แม้ปลาผมเฮเฮ้ยเฮยเฮมวยอวดตัวตัวเลยเฮ็ดแต่คู่รายการนจะมักข่วนมูข่วนทวนเลยคู่พ่อวานาเขาเนี่ยนะทั้ตัวคุณใครกันเมือหร่พอบอกคู่พวานาเขาเนี่ยตัวกัฟฟอเฮ็ดล้วันม่พูดกัพ้อเฮ็ดซอยผู้ซิวผู้ซิวมันโตผู้เขาก to to ็ม so ันโต เยอะมืองันแล้วพระเฮียดยัง้เหรบว่าแ่ากระเทือนมืก็เรื่องอะไรหามออกมาแล้วบานรถลูกคู่มาหาวะไปนาำออกไปเยแกข้าเสนอข้ายังไง็หามหาออกไปเขาเห็นเ่าอกว่าแกว่นละเฮีดอ่ะมีที่มีที่โต้วดวงเดียวแล้วก็ับเรือกค้นนึงเรือกระตอง บเลือกคำซอันึงตบอันนึงตบสันอันึงบยาองเท่านั้นะซิวซิวสองบัวชาอนหงเาบอกว่าอะไรบ้าเาบกว่าเขาขึ้นมาเทิองเ กัดออกตัดออกตัดออกตัดออกมา่นไพูดได้พูดได้พูดได้พูดมาส่นอ๋อเร่บว่านี่ยหาเรื่องอเล่บวกเนี่ยไดพูดได้พูดตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกมาส่นตัอจับปั๊สทันทร์มากูเรีนี่เว้ยสั่นมันกูริเฮดนาเสียนี่ก็บว่ดว้สั่นมันที่พ่อใจเฮ็ดบอมัรื่มันทีสูงคอต่อคู่ บอกบวกพวกบวกแค่ก่อนนั้นพ่อแม่ผู้ว่าอาการ บ, กบอกบอกบ่าถ้าเฮ็ดแล้วสมัมมาสีมาบอกตัดมันแห้งเฮ็ดมันตัดนหนักขันเนื้อไปยังสั่นกับมันไม่ใส่ <S 2> <S 2> วางกันไปร่องเก่งแท้ๆร่องเล็วแต้ๆเลยแล้วผู้ว่าร่องเออเพราะในมือทังหลากับหมอเนมีเพาะเนียจะค้องครบกัหัวเรียกพวกกรเบืงมานี่อออออยอร่อย หาโนหานไปตัดเขาตัดเขาตัเขาโค้งพวโค้งพวกและั้นอันนี้มงเลตวละตวอรเขาคนไดจังหวะตัหัวคุณได้ตัหัวอะไรคุจบบอลอะไจับบอละไรคุณับคนอะไจับคม่เป็นมนเนี่ตว่าจัอจัอธิบายผมูคือัว มูวลอโอ้ยสองอะคนรงคนน้อยมาส่ถ้มันศรัทธาอีดีมันโมนหนาบุตหนาบึ utt, ่งรอกเห็ดบอกจ้งไหมันก็เหตุบัตรนเอาสนี่คนร้องคนทรมารคนน้อยได้เหรอวาเป็นเรื่อนทดสอบได้เวคนนั้นคอยใจนี่สิคือนโมเมนต์มูสันหัวตึงตึ่ข้อคอคใจแบบนั้นนะคนทรมารททันนะครับบอกว่า มันจริงอีดมันก็บอกเห็ดหนามาทุ่งหงายเฮ็ดนึงแล้วมันกเฮ็บบดหมที่นี่เรื่องเทศท่านบอกว่าโ อ, โอ้เรื่องนี้หละฮะเรียไปหามึ้นไปเนี่ยห้ามึ้นไปเทิงหามคืนไปเทิงท้งหรอเอ้วโหยกจั่ยสุขสุข ไ, ได้หรตอดำไม่ตายซาหรืออะไเขาไปอบอกว่อะไรได้หดือเขาบเฮ้ยหรังไงด้ ห้าเปรล่อเรียกโซเรีปากบัวปไปอยู่เบรปั้ลนน่ะ ก, กเฮเ็นหนาบุนหนบนห้าเปร์เม็ดขีเม็ดตบท่านมุนนี่เม็อดอุจจาระเพิยมมันออ น, น, มนี่ห้าเมีเยนเรียกหากอบแล้วกกรอบเราเานี่้าจีเฮ็ดท่านทากันสี่มันสีได้บ่ท่านทานดมเม็ดหัวหรือบวเม็ดมันสีได้บ่บ่อยเฮ็ด่เอเกีกเเยงกันได้รึป่กูห มันีมือเนี่ตกตับใชมันดีเลยเนราะงี้กรรมฐานเสมอเนี่ยกไกลกันบนไดสันหันเนี่ยรำว่าเฝ้าขับลีนเนเนี่ยเอาคาว่าการก่อสร้างเน้อเนี่ยการก่อสร้างเฝ้าสร้างเฝ้าเล้วเฝ้าเฮ็ดเฝ้าถ้ำกติ ป, ะ ท, ปะท่าของหลวงปู้มันข้าบ่อได้เขียนไว้ในที่ว่าประวัติเนี่ยเขียนร้าแลา้วมันจีเรียมท้อตั้งทีเห็นไหมลูกอยู่เลยยืนอยู่ใวัดแต่บ่ได้ละเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้ว ตัวท่าบริสาได้สั่งว่าซื้อมูห้อหรอกมูห้อเนี่ยพูดได้เลยสา่กุทีวิหารรานแล้งในยัยเดาสั่งผู้ดังพิงเงียบพิงเงียบเลยมากูเขเอสูรน่อเพิ่นเนบอเหเพรได้ดูดินั่นเองงั้นทั้งกุ้จักเหมื่อิ่ปตนไหอืมทั้งกินนั่นเทั้งสัํานำห่อเอกอุ่น ก๋องซอสกระย่างโรนห่้าต้มสู้กัน ก, ก, กินกระโจกกับบะเต้แก้วทั้ ง, งที่เราเกระโจกไม่สมัย ส, สองพันชี่รตแต่ก็ก็ชิ้กก็ชนเอกก็ชิ้นอกระโจกมาไพ่ห่านี่กมาไอ่ห่านยืในได้กิน่นทุกคนทุกคนททุกคนทุกคน มือหนีมือ้อมันแตกมือแล้วชิบ ม, มวยบอกชกหูอืมอน้ำตาลทรายนั่นน่านจ้งสีเลยพ่อเทียหนึ่งอืโ ก, โ ก, โกูโคกเีเกีมั้นี่ยนั่นน่านจ้งสีพ่อเทียนึงเลยไปเฮต้าควาวัดรอกถามพ่อหาาน้าว่าเด้กวกกร้หายนีวผู้บังวนนี้มาของยังไงเนีย ส่วนพ่าใครตรวสอบพุทธโทษอาพุทธโทษตรวจสอบอะไรก็เอาแน่คอนี่พ่าหน้าทั้งสวดมนต์โมเดเกียวทั้งสวดมนต์ของไของมันสวดเอาเงี้ยจะก็ทุกข์ก็เทื่องกันเจ็ดสิบหาอวดเสียงมากินโ่บ่นที่มาอวดเสียงบอกคนบอกสิใครมาใครใครอไพุทธโทษเอาตะพุทธโอันพุทธพ่น้าพุทธโพุทธโทษยืนเนี่ยโม่บันสวดมนต์บอกคว่าสัตว์ผู้บริกรรมนู่น ทุกๆเดียกนว่าท okay. <Yeah. S 1> the ุกๆทุกๆวันเนี่ยมันสวดม้อนหมดคนออกเสียงบ้านหม้อุ่มกันสวดม้อนเลยซุ่มกันสวดม้อนถก็มือข่าวันสาแล้วก็มือออกวันเสาร์ออกวันเสามือมือตรงนี้ขอวันเาก็รุ่มแหะก็สวดม้อนก็สวดรูปพะเกศออกวันเสาร์สวดม้อน ว e. ันมาคาวัานวิสาคาวันลุงอ้วนโสดตอนนั้นเดี๋ยวนั้นองเขาตั้งร่วมกันนั่งพ่อวาน้าก็บบนี้นั่นปฏิปทาของรัฐผู้มันผู้ใต้กันั่งเ้สั่งพูดยง่งเงี้ยสิกินั่งเปนแถวกันเรื่องไหมีิแถวกันเรื่องีิแถวกันเรื่องสิกีนนั่งเงี้ยสิ เราลืตะเกียงไหวอืดตะเกียงหวพอต้อเขั้วหาหัวหาเพราะ่ออระอบ้านฮผู้ผ้าผ้าวาน่ายู่เนี่ยเขาว่ออกผ้าว่านาเนี่ยชื่ว่าอาละยังไหนนั่นถ้าจิผู้เขาวกเงื่อนเนี่นออนยแต่เบอเอานั่นชืมอวม มาให้กินให้ทานแลกันเงื่อนชุม่มหนึ่งเสรเงื่อนชุม่มคุณนดูนี่ฝากไว้ชิ้หามืน่นเอามาให้ร่วงให้กันผมพูดได้คำว่าเท่าตายกอนน้อนเนี่ยังจะหลูกจะต่าเท้าตายก้อนยังจะหลูกจะเต่เาเงื่อนชิ้พามื่นชุ่มหนึ่ง ให้ไปเบิกเอานี่ยสารทหารมาเฮ็ดหีบเฮ็ดโล่งมาถ้าพอทําเ ม, มา่าวัดตะกอนต้องรับพั ก, กันปรึกษากันส่วนเท่านี่ยให้เฮ็ดสัน้นส่วนเท่าเนี่ยตายมือเศ้าหาไปเผาเมื่อแรงเตียงมือตะล้างหันบวมนิ่นมือแรงไหมตายสมมุติว่าตายเดียวนี่สั้นยังหันอย่าเผาถ้ า, า ต, ตายสั้นยังหันแล้วเที่ยงก็ต้องเผา พระซุกมือใกม้มือนึงบวไปมุ่นเพลินทำมันลาบากอะไรหรอกสํารับเข้าเลยนี่สํารับตัวเห้าเพราะเพลินลาบากล้วก็กลมนาลงมาล้าก็โอ้ยกูกะจิตายสุลงปูกูเรา่าสันก็พรจ้าก็เมือนอะไรไปสันไปพระการไปปินถาวรมากินอันนี้ของในวัดในว่าเ น, น, านี่อันนี้มันเป็นร่หงของพันธุ์พูดลบมกนี่ไฮตาไฮเกะกันชวนัเป็นเขารูกพันธุ์ใคเอาไว้ อันนี้ยังสี่ดาวเท้อีกยุทกรอนเนี่ยถสร้างลุกสร้างเต่อไว้เพราะนว่าถ้าบ้านชาเมืองเพื่นเจ้าถ้าคอยคอยตาเจ้าผู้นั้นพานะไปหันไปนี้มันถีเม้นนี่ก็ไม่เม้นเลยพูดได้สิมาเอาใช้ล่วงนี่พี่น้องเง้ยสำหรับมูนไปเจียบซบไว้ขนเอาตาคอนน่ะ เก็บคบไปนะเอาเงินสุ่มนี่ออกมาเฮ็ดครบออกมาเฮ็ดครบดีๆแค่ให้มันเหม็นเงินซุ่ 5, มชิ้มหาเงินเนี่ยชิ้มหาเงินไปฝากกับสารฐานเนี่ยสำหรับเฮ้าสำหรับเฮ้าบนหอยเกี๊ยวจักเม็ดเงินซุ่มแม่ตะตะลักขั้นาารรเนี่ยบให้เกี่ยวจั๊กต่างเลยเนี่ยของเฮ้ามันเฮ็ดลงจะไปเกี่ยวยังเอาใส้เตียงไปเผาโรดซุ่มนี้เอาไว้มันยัางน้อยย่างหลายเอาไว้ให้เป็นมุ้นหลง ม, มุ่นหลามนะสุ่มนี่ มุหนูุ่งนลานมุ่งที่สืบศาสนาไปนาเข้ามาตะเกียวเงินยักษ์ต่างๆเลยเงื่อนกำยาเงื่อนงกับบให้แพ่เงื่อนธนาคารก็บ่้านห้เอามาเฮ็ดโซเผ่ายังยุติได้ก็ได้ให้ลูกเต้าฟั่งฮะแมนดีนี่รใส่นี่รอใส่นี่คักเลยเสียงของเข้าซ่อมว่ามันเสียงผู้อื่นต้องซื้อก็ยังบวคากวันนี่เลยเขอใจบอกอืม ได้ย็นไหมล้มปวดวนได้ยินคชัดนะถ้าพร้อมตายตอนกลางคืนก็ดีตื่นเช้ามาฉันยังหันเสร็จแล้วก็ต้องเผาเนอไม่ต้องเกี่ยวว่ากุสลาอะไรอะไรก็ตามหรอกแล้วก็พินหัวไปทางทิศตะ น, นออกถ้าพินไปทางทิศเหนือมันพินไม่ได้เพราะภูลูกนี้เนี่ยมันต่าลงมาทางนี้นี่พินหัวไปทางทิศตะ น, นออกแล้วก็นอนตะแคงข้างขวา แล้วก็ไม่ต้องห่มผ้าให้ไม่ต้องล่างเอาเอาไว้แต่ผ้าสบงก็ผ้ากีวรเท่านั้นผ้ากีบวนไม่ต้องห่มเนาะห่มแล้วมันพผไม่ไหมไม่ต้องล่างหรอกกุสลาก็ไม่ต้องว่าหรอกเรยไมีบินถบาดก็พาพากันไปบินกิน